พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่15้โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าจ้างลูกไปเป็นโสดาบันเอาต่อนี้ไป หลวงพ่อจะได้กล่าวปาลบเรื่องงานให้กณนะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังเพราะงานนี้เป็นงานอะไรเป็นงานสำคัญยิ่งของโรงเรียนบ้านมากแข้งของเราเ่ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลงานวันนี้ก็คืองานในใบขอเชิญร่วง เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหมากแข้งตําบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2560อันนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้ว เ, เมื่อเราแต่ยอดผ้าป่าแต่ยังไม่เน่งนะที่เอามาถวายหลวงพ่อก็อเป็นที่อุ่นใจยอดผ้าป่าทั้งหมด 1 1 0 0 0 0ส น, น, น, น, น, นล้านเนี่ยล้านหบาทนะอันนี้ก็คือเงินผนะ้าป่าณะวันนี้แต่หลวงพ่อเองไปน่าสถานที่ใดถ้าว่าไปโรงพยาบาลก็ดีไปโรงเรียนก็ดีหลวงพ่อก็จะร่วมสมคบน ะ, ะข่าวนี้ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อได้เตรียมปัจจัย มาร่วมสมทบเพื่อการศึกษาของโลูกหลานนะเป็นจตุปัจจัยไม่ใช่จตุปัจจัยของหลวงพ่อนะเป็นจตุปัจจัยของคณะสงฆ์วัดป่านาคําน้อยแล้วก็เป็นคณะ จ, จตุปัจจัยของคณะสัตยาญาติโยมเทพถวายหลวงพ่อต่างกลุ่มต่างวาระที่หลวงพ่อได้รวบรวมเอาไว้ในเมื่อเกิดประโยชน์ตรงไหนหลวงพ่อก็จะเดิมาช่วยนะแต่ไม่ใช่ช่วยแต่โรงพยาบาล โรงเรียนบ้านหมากแข้งของเรานะ เ, าเมื่อกี้เนี่ยนะาทางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลก็บอกว่าชั้นล่างาชั้นล่างของอาคารเรียนที่สร้างขึ้นมาใหม่านะทางเจ้าภาพก็บอกว่าจะใช้ปูนปูนเทเทปูนขัดมันาทางโรงเรียนก็บอกโอาหลวงพ่ออยากจะได้หินขัดว่างั้นนะหลวงพ่อกัไปดูไปดูด้วยตาตัวเองเออใช่ หินขัดเป็นเท่าไรแล้วก็สืบสอบดูราคาก็เป็นเงิน3าม0 0 0สี่นบาทน ะ, ะถ้าจะให้เป็นปูนปูนขัดธรรมดากับนักเรียนนั่งลําบากแล้วก็จะนั่งทานอาหา ร, อ, าหารอ่านหนังสือแล้วก็ทําความสะอาดก็ลําบากถ้าได้ท่าได้หินขัดก็จะดีหลงพ่อเนะี่ยหลงพ่อก็ได้ตกลงแล้วน ะ, ะตกลงเอาหลงพ่อจะเป็นเจ้าภาพนะ่ เออเนี่ยหลวงพ่อไปที่ใดเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานต่อโรงเรียนหลวงพ่อก็รับนะแต่เมื่อกี้หลวงพ่อโอนเข้ามาแล้วน่ะสองแสนเมื่อกี้เนี่ยโรล ง, ลงเรียนหินขัดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะแต่มาคราวนี้หลวงพ่อก็เลยมาร่วมผ้าป่าในวันนี้คราวนี้ด้วยหลวงพ่อก็อร่วมสมทบ 10,000 แบาทเ น, น, นื้อคันสตาญาติโยนนะวันนี้นะ เออท่านประธานได้รับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ประธานท่านพวกเรามีแต่ถนัดว่าเอิ่นเสียน่วยเสียน่วยกระไเสียน่วยท่านผู้การเป็นผู้การมาแล้วก็ยัเอิ่นเสียน่วยอยู่ <c oughs> วันนี้รู้สึกว่าแขกผู้ใหญ่มามากนะท่านผู้การและก็ท่านรองผู้ว่าราชการท่านชูชัยแล้วก็ท่านนายกวิเชียนขาวผําและก็ท่าน อ, อ, อดีตผู้ว่าอํานาจประ ก, กาศคออือนี่นะท่านก็บว่าท่านได้เคยเรียนมาเรียนหนังสือที่นี่นั้นท่านอาจารย์ว่า น, นะท่านผู้ว่าอํานาจนะแล้วก็หลวงพ่อเองมาเห็น มาวันนี้ก็รู้สึกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันอบอุ่นนะ เ, เพื่อให้มาส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีถ้ารวมพวกเราท่านทั้งหลายไม่ปลูกฝังนิสัยอุปนิสัยของลูกของหลานไม่ช่วยกันปรับปรุงไม่ช่วยกันดูแลประครบประหงมลูกหลานของเราลูกหลานของเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างไรโรงเรียนอุดรโรงเรียนมั่นมาแข้ง เป็นโรงเรียนดั้งเดิมคาว่าบ้านหมักแข้งคานี้นะ่ะถ้านหลวงพ่อจะไม่ผิดเพราะหลวงพ่อมาอยู่เมืองอุดอรตั้งแต่ปี2512จนถึง2560วันปีนี้นะ่ะหลวงพ่ออยู่เมืองอุดอรเนี่ยนมนานที่เดียวเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ศึกษาและได้รู้เรื่องราวว่าบ้านหมักแข้งนะเป็นบ้านดั้งเดิมเรียกว่าบ้านบั้งดั้งเดิมของเมืองอุดอร ท่านกรมประจักษ์ศิลปาคมท่านเข้ามาท่านก็ย้ายจากหนองคายมาตั้งเมืองอุดรเนี่ยเขาท่านก็มาตั้งที่บ้านหมักแข้งนี่แหละเพราะฉะนั้นโรงเรียนบ้านหมักแข้งของเราจึงเป็นโรงเรียนดั้งเดิมเป็นโรงเรียนคิดค่าว่าเป็นหนึ่งของเมืองอุดรนะต่อกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่เนื้อที่กว้างขวา ง, วางแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนยุค นูนนะจนถึงมายุคนี้นะแต่เพราะนั้นถือว่าวันนี้จริงเป็นวันถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลการอบรมแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานของพวกเราไม่รู้ว่ากี่รุ่นตัวกี่รุ่นแต่คงได้เป็นผู้ใหญ่ผู้โตในประเทศชาติก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่อย่างเห็นเห็นกันในแต่ท่านผู้ว่าอํานาจของเราเนี่ยได้เป็นถึงท่านผู้ว่าเพก็ อ, ออกออกจากผลงานของโรงเรียน บ้านหมากแข้งของพวกเหล่านี้นะและก็คงจะหลายๆท่านที่พวกได้ออกออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้นะเพราะนั้นถือว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนผูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานตั้งแต่ดึกดําบันมาถึงปัจจุบันและก็คงจะถึงอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาร่วมมารวมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อให้เพื่อการศึกษาจุดไหน อุปกรณ์การการเรียนการศึกษาหรือว่าสมุดเดินสอรหรือเครื่องคอมพิวตองพิลเตอร์ในยุคสมัยใหม่ถ้าหากว่าโรงเรียนจําเป็นจะต้องได้ใช้ก็ได้ใช้มันจําเป็นจะต้องได้ใช้ทางเงินงบงบรัฐบาลมาก่อนส่วนนึงแต่ถึงยังไงก็ขอฝากไว้กับท่านผ อ, อนัะครูบาอาจารย์ที่ได้จตุปัจจัยเหล่านี้มาก็ขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ของพวกเราถ้าเมื่อเราเอามาใชใ้เกิดประโยชน์แล้วโรงเรียนของเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกต่อหลานนานเท่านานทีเดียวาหากว่าพวกอุปกรณ์การเรียนการศึกษาของของเรามันด้อยมันไม่ทันโรงเรียนอื่นของเขาก็เป็นจุดอ่อนจุดด้อยเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นว่าการเรียนการศึกษาเป็นหัวใจของประเทศชาติบ้านเมืองโดยลเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพ่อเองอยู่ในป่ารงคงไพ่หลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามเรื่องการศึกษาของลูกของหลานเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามีการอทอดพาปา่าหรือว่าโรงเรียนณสถานที่ใดถ้ามีความจําเป็นหลวงพ่อเองเจะต้องไปเชงเงค อ, อดูแล้วก็มองดูว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความจําเป็นจริงหลวงพ่อก็จะต้องหาจัดขาญาติโอมหรือหาทุนทุนทรัพย์เข้าไปเพื่อกูลหนุนจุดนั้น เพราะนั้นหลวงพ่อเองมองว่าประเทศชาติบ้านเมืองถ้าหากว่าประเทศชาติไม่ได้รับการศึกษาที่ดีประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างไรเพราะมีแต่คนโง่เง่าเต่าตุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เมื่อเราได้รับการศึกษาดีแล้วประเทศชาติลูกหลานได้รับการศึกษาดีแต่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็จําเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้เน้นไปทางโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่ง ไม่ว่าเรื่องอะไรต่อไม่อะไรทาน ล, ลูกหลานได้ถามได้ศึกษานะ่ะคงจะรู้ได้ว่าหลวงพ่อได้ช่วยโรงพยาบาลาหลายหลายอย่างทีเดียวไม่ใช่แต่เฉพาะโรงพยาบาลอุดอรนะโรงพยาบาลต่างจังหวัดหลวงพ่อก็เคยได้ช่วยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ไม่ได้มองแต่ทางโรงพยาบาลหรือโรงเรียนแต่หลวงพ่อก็มองวัดอีกต่างหากเลยนะวัดวาศาสานาเป็นเครื่อง ข่อมวะตะเคาะบ่มนิสัยของลูกของหลานให้เป็นคนดีให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจุดนั้นก็มีความจําเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้จรงไหนที่เป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสนามีพระพุทธรูปศาลากา ร, รเรียนแล้วว่าสิ่งไหนที่มันขาดตกบกพร่องแต่ละวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามอีกเหมือนกันในจุดนั้นเพราะฉะนั้นการดูช่วยกัน เ, เครื่องเป็นเครื่องเคื่องุนหนุนกัน เพราะฉะนั้นในการนี้ก็เหมือนกันลูกหลานของพวกเร า, เาที่หลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษาได้อ่านในพระไตรปิฎก เ, เด็กในยุคสมัยกก่อนสมัยในครั้งพทุทธจารในครั้งพุทธกาลนะหลวงพ่อได้อ่านบทหนึ่งจะมาเล่าๆให้กับคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังทำไมเด็กสมัยนู้นกับเด็กสมัยนี้นะ เ, เด็กสมัยนี้ทําไมไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เด็กสมัยเก่าเป็นยังไงในพระไตรปิฎกท่านก็พูดไว้เหมือนกันนะให้ลูกหลานคณาสัตยายติโยมฟังและวิธีการแก้ไขและทำอย่างไงนี่ยอันนี้ก็ควรจะมีวิธีการมีมีวิธีกรรมเหมือนกันเราจะแนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราอย่างไรเชื่อมเหมือนเมื่อลูกหลานของเราไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังคำพ่อคาคํ า, าพ่อคํ า, าแมเ่เราจะมีวิธีการอย่างไรนะ อันนี้ก็เป็นคงจะเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงพารากรุงสาวัตถีวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารนะมีท่านอนาณาถาเบดกะเศรษฐีเป็นโยมประธานเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีแล้วก็เป็นผู้ซื้อที่ดินสร้างวัดป่าเชตะวันมหาวิหารอีกต่างหาก แล้วก็สร้างปติพะคันทรปีของพุทธเจ้าสร้างเสนาชนะให้พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งห้าหาอยอยู่วัดป่า เ, เชตะวันมหาวิหารนั้นแต่อาณาถาเบติกาเศรษฐนะีมีลูกหลายคนนะมีทั้งลูกสาวลูกชายแต่ต่อมาพระอนณาถาเิติกาเศรษฐีเป็นพุทธอถุปทา ไปเช้าไปเย็นไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็ถวายพัฒทาหารตอนบ่ายถวายน้ำปานะตอนเย็นก็ไปฟังวัดเทวมัพระธรรมเทศนาะที่พระพุทธเจ้าไปอบรมแต่ทีนี้ลูกทุกคนก็เป็นคนดีนะแต่มีลูกชายคนหนึ่งเนะ่เกเนีแหละลูกเกเลก็มีนะขนาดลูกอนาถาไม่ดีเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเลยยังเกเลเนะ เออเทนี้อายุกับประมาณชักเนี่ยสิบห้าบหปีเนะี่ยกำลังวัยรุ่นเนี่ยกำลังกำลังกําลังขนองเนะี่ยไม่ไม่เชื่อฟังคำํำพ่อแม่นะเออพ่อแม่บอกให้ไปทางหนึ่งไปทางหนึ่งเออพ่อแม่ให้ทํางานหนึ่งไปทางหนึ่งอาณาถาบดิกาเศรฐีที่เป็นผู้เป็นข้อนี่นะโอ้ปวดหัวอะไรตัเนี่ยเออจะทํำยังไงถ้าหากว่าเราจะปล่อยไปเลยหรือจะจะทํำยังไง คนอื่นก็นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปหมดเป็นลูกที่ดีทั้งหมดเป็นพระโสดาบันเป็นส่วนมากพ่อแม่กับโสดาบันพ่อเป็นพระโสดาบันแม่ก็เป็นพระโสดาบันพวกลูกๆทั้งหลายจะเป็นพระโสดาบันแต่อ้นนี้มันทำไมวะมันแหวกแนวแหว ก, กอมาจากไหนวะทำไมมันไม่เชื่อฟังแนะนำอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งตอนนี้อาารถามดีกาเซนตะีนน่ย มันก็ชอบใเงินอีกต่าหาทั้คนเที่ยวใช่ไหมคนเต่งใช่ไหม อ, อาณาถาบดีกาเศรษฐีอะไรเอ๊ะจะเอาวิธียังไงนะสอนอยนี้นะเอาอย่างนี้นะลูกไอ้นี้นะแล้วจะไปปล่อยไปเลยก็จะทำยังไงคนอื่นก็เป็นคนดีทั้งหมดไอ้นี่มันเป็นเกเรออกนอกลูก่นอกทางคนเดียวนะวันหนึ่งก็เลยเรียกเขามาเอ้ลกูกมาหาพ่อแล้วอา้าวพ่อจะจ้างให้ไปไปรักษาศีล น, นะ ไปรักษาศีลในวัดป่าเชิตะวันให้ไปรักษาศีล น, นะพ่อจะให้รางวัลเออหนึ่งบาทลักษณะอย่างไงี้แะให้รางวัลหนึ่งรอบาทพ่อเด็กได้ยินเงินหนึ่งรอบาทเขาหน้าตาโตเลยจะ น, นี่อยากได้เงินพ่อไนงะพ่อจะได้กไปรักษาศีลพ อ, อไปแล้วกันปพอไปถึงวนนันแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็นอนหาที่นอน เ, อเสร็จแล้วพวกนี้เช้ามาก็ตื่นมาแล้วก็ มาขมากมาึ้นพอๆผมมาแล้วครับทางคู่พ่อก็ต้องเตรียมรีบให้หมดเลหนึ่งรบาทครับแต่อต่อมาต่อมาเอ๊ลูกเวลาไปรักษาศีลแล้วไปทํำยังไงล่ะลูกผมไปเสร็จแล้วผมก็ไปสมาทานศีนเลเสร็จแล้วผมก็ไปหาที่นอนแล้วไปพักผ่อนรักษาศีลทั้งวันแล้วครับพรุ่งนี้เช้าผมก็มามาแ ม, มานี่แหละครับโอ้เอาต่อนี้ไปนะลูกนะต่อนี่ไป ให้ลูกไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้จําได้สักคำหนึ่งในคืนนี้ในแต่ละวันเนี่ยวันวันพระเนี่ยพอไปฟังเสร็จแล้วให้จําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้สักคำหนึ่งแล้วมาพูดให้พ่อฟังพ่อจะให้รางวัลอีก100บาทเป็นส0งร้อเด็กตอนนี้กหูผึ่งเหใช่ไหม อ, อ, อยากจะได้เงิน200รสิโอ้ได้ครับจําเพียงคําเดียวนะ จากนั้นลูกชายเนี่ก็พอไปสมาทานศีลเสร็จแล้วกัตอนเย็นนีตอนเย็นพระพุทธองค์จะแสดงธรรมประเทศนาโปรดสัทธาาติโยมโปรดพระสงฆ์นะตอนเย็นนะไอ้หนุ่มเนี่ก็เข้าไปกันนั่งฟังอะไรเธอเลนั่งฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอฟังไปแล้วก็จําได้ละคาหนึ่งเลยพอจําได้คําหนึ่งไปหานอนอะไรเธเลยไปหานอนพอกลับไปเจ้าหาที่นอนลืม พราะพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ได้บาทเนี่ยบอกว่าเอ็นนี้มันจะมาจําคํำของเราแล้วมันจะไปแลกเงินข้อมนันนะพระพุทธเจ้าบรรดาให้ลืมที้พ่อไปหากําลังว่าจะนอนเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสอะไรน่ะลืมหมดเลยจะนี่ไม่ได้กลับมาอีกกลับมาก็นั่งฟังอีกพ่อนั่งฟังอีกก็จะกลับไปนอนก็ลืมอีกพอได้ที่จร้ตั้งใจฟังพยายามจดจําให้ได้ใช่ไหพอนั่งฟังดีๆเท่านั้นแหละ เข้าใจในธรรมในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยจ้ะเนี่ยเพราะมันตั้งใจฟังนะจากนั้นชายหนุ่มคนนั้นได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์นะเด็กนะไม่ใช่พระหรหันต์พระโสดาบันได้สําเร็จพระโสดาบันพอได้สําเร็จพระโสดาบันนะโอ้โหตายเราในทําไมเป็นอย่างนี้พ่อของเราโอ้โหทําไมมีเป็นเป็นผู้มีบระคุณอย่างนี้กับเราท่านคัลรีมีเมตตากับเราโอ้โห เออโตอตเล่าดี่ยทำไมมันทำตัวอย่างนี้ได้และเลือกถึงบุญคุณของพ่อที่นึ่โอ้มากมายมหาศาลเลยทีเดราะท่านได้สำเร็จพระโสดาบันนั่นเองเด็กหนุ่มคนนั้นนะจากนั้นพอสว่างตอนเช้าเพราะพระองค์ก็เสด็จมาบินทวารมากับมาบ้านอนาถาเมริกาเศรษฐีเนี่ยพร้อมกับพระสงฆ์ไอ้ชายหนุ่มคนนั้นก็เดินตามหลังมาเลยทีเดเดินตามหลังผู้ใดอยาไม่เหมือนวันก่อนๆนะ พอวันก่อนๆพอมาก่อนมากนยื่นให้พอ่พอพ่อครับผมของกันครับใกล้าวัน เ, เป็นรางวันที่ได้พอ่อเขารีบจัดให้แต่มาวันนั้นเดินตามหลังพระสงฆ์มาที่นี่มาก็มาจัดน้ำจัดท่าจัดกระโถนดูแลเรื่องอาโหงอาหารผู้พอ่อโอ้เปลิ่มใจอย่างมากโอ้โหลูกชายของเราวันนี้ทำไมตีขนาดนี้วะแต่ยังไม่มา ทั้งลูกชายนะคิดโอ้อยังไงยังไงพ่ออย่าเอาเงินอย่าเอาเงินให้ผมต่อหน้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดผมอาย่ผมอายผมระเกินเลย น, ะ, นะท่านได้เป็นพระโสดาบันนี่ท่านมีฮิริอตดตะปาอะไรนี่ในใจนะถึงจะเป็นเด็กหนุ่มก็เป็นเป็นผู้มีฮิริคดอควาะอะไานี่ใใจโะถตงจะปะคือคกา่มกลัวตอ่อดตปาอะไรนี่านเกหน่ก็ ไ, าา ไ, ก ไ, ไกออ็นปม่บารตปาอะไร่จะกหน่มเป็เน้มีรอดตะปะนี่ใจนงนเกห่มเป็น้ อายอายพระพุทธเจ้าอายพระโศฆ์ว่ากันอะไม่อยากจะให้ฟอบพูดแต่ผู้พ่อเนี่ยโอ้จับตามองอยู่ทีโอตีใจว่าลูกชายทําไมลูกชายอ่อนน้อมถ่อมตนดีและเกินวันนิ่งพอมาใกล้ๆพ่ออเลยว่าลูกแต่พ่อเตรียมไว้ให้อยู่นะเงินนะพ่อจะให้อยู่ทางผู้ลูกชายว่าไม่ไม่ละพ่อพ่อไม่เอาแล้วครับพ่อเดี๋ยวไม่เอาพระพรพระพุทธเจ้าได้ยินไง พระพุทดเจ้าได้ยินดูก่อนอนาถาบิดิกาเศรษฐีลูกของท่านเน่ยเขาไม่เอานอกโลกียะทรัพย์เพราะเขาได้โลกุตตะทรัพรแล้วเขาได้เป็นพระโสดาบันแล้วเขาไม่เอาหดอกโลกียะโลกียะทรัพอนาถาบฎิกาเศรษฐีได้ยินเท่านั้นเลยสาธุสาธุสาธุโอ้ดี อ, อกดีใจได้ยีใจเย่งกว่าอะไรคือได้ลูกดี ได้ลูกดีที่มีคุณธรรมศีลธรรมกริจยธรรมได้เป็นพระโสดาบัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะคณะสาญญาตัตยาธยมทุกท่านนะถ้าเป็นลูกของตัวเองเอไม่ดีหรือว่ามีนิสัยไม่ดีจะใช้วิชาแบบอนาถาวิติกเศถีเนี่ยคงจะดีอีกเหมือนกันนะอาจถ้กว่าเด็กคนนั้นมีอุปนิสัยลูกของเราเปลูกหลานของเราเป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอ เป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจอยู่นะถ้าเราแนะนำไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องลูกหลานขวกเราก็คงจะเป็นคนดีได้ น, ะนั้นนะขนาดลูกของอาณาถาปิฎกเศรษฐีเป็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าแต่ตัวของเด็กเองก็มีอุปนิสัยถึงพัะโสดาบันได้แต่ว่าเมฆหมอกกิ เ, เลสายต่ำ ม, มาปิดบังมาปิดบังช่วงนะช่วงระยะหนึ่ง แต่ทีนี้พอได้พบบัณฑิตนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าผูพ้พ่อเป็นบัณฑิตพระพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเด็กหนุ่มคนนั้นเลยกลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้นี่แหละนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านคณะสัตธาญฎาโยมลูกหลานทุกค น, นเมื่อได้ยินได้ฟังนเนี่ยคนในครั้งพุทธเจ้ากับในครั้งนี้ก็คงจะไม่แปลกแตกต่างกันเพราะนั้นวันนี้หลวมพ่อได้พูดได้กล่าว ให้คณะทถาญาติโยมลูกหลานให้เป็นเครื่องอได้เรียนรู้ประดับสติปัญญาและพร้อมกันจะตุปัจจัยที่ได้วันนี้ถ้าจะว่ามากไหมถ้าเศรษฐกิจอย่างนี้หลวงพ่อว่ามากอยู่นะว่ามากอยู่นะก็หลวงพ่อเองอยู่ในป่ารงหงไฟหลวงพ่อก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในเศรษฐกิจช่วงนี้หลวงพ่อก็ได้ถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเงินท่านว่า โอ้เศรษฐกิจเศรษฐกิจประเทศคงจะซึมไปนานนะแต่ทงขยับไปทีละน้อยละน้อยนะจะให้หวือหวาเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะเศรษฐกิจโลกเออมันปั่นปวนเศรษฐกิจจิโลกไม่ใช่แต่ของประเทศไทยนะมันทั่วโลกเออมันปั่นปวดเพราะนั้นเออเพราะนั้นพวกเราผู้อยู่น่าสถานที่ใด เมื่อเราตะก่อนเคยเคยใช้เงินเงินร้อยนะ้ก็คงจะลดลดลง80บาท70บาทนะให้ลดลดลงบ้างรัดเข็มขัดบ้างอย่าไปใช้ชุลุ่ชื้อไล่นั่นแหะดีที่สุดต่าว่าพวกเราไม่รู้จักประมาณในการใช้นะ่ะจะลําบากนะขน้าราชกาญาติโยมเราต้องรู้จักสถา น, นะด้าเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของโลกเป็นยังไงเราต้องศึกษาเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ่านโรงเรียนของเราก็เหมือนกันนะนะ จะจะใช้สิ่งของอะไรเราต้องคิดดูให้ดีว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนกับลูกหลานของพวกเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับลูกหลานเพื่อการเรียนรู้ประการศึกษานี่เราก็ขอขาฝากไว้กับกับคณะครูบาอาจารย์และพี่น้องประชาชนทวกหมู่ทวกเราเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาพราะโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนของครูอย่างเดียวนะเป็นโรงเรียนของพี่น้องประชาชนพวกหมู่ทุกเราเนี่ยส่งลูกเรียน ลูกหลานเข้ามาเพื่อเรียนเพื่อการศึกษาวันนั้นวันนี้หลวงพ่อเองเอได้กล่าวสัโมโบษทนิยกถาก็เห็นว่าสบควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกอนุภาพบุญบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทาคุณูปการให้กับประเทศชาติมากมายมหาศาล อยากพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้บุญบารมีพระองค์ท่านขอให้มาคุ้มครองประเทศชาติศรัทธาญาติโยมลูกหลานจบประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทอญ